เขาก็บอกชื่อข้าพเจ้าก็แปลกใจอ้าวแล้วทำไมคุณมาเป็นอย่างนี้ล่ะเขาเล่าให้ฟังว่าเจ้านายว่าเขาในที่ประชุมและเขาเสียใจกินยาตายข้าพเจ้าก็ถามเขาว่าคุณมาได้อย่างไรเขาบอกว่าผมบอกคนพามาว่าให้พามาพบคุณนิดก่อนและเขาจะได้บุญด้วยก็คุยคุยกันและเขาก็ขอบคุณแล้วก็หายเงียบไป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 เพราะฉะนั้นอย่าว่าใครแรงๆโดยไม่ยั้งคิดครูบาอาจารย์ท่านสอนไว้